ธรรมบทแปลเรื่องที่83ภาคที่สเรื่องพระกุณฑลเกสีเทรีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเฉตวันทรงรรบารมนางกุณฑลเกสีตรพระธรรมเทศนานิว่าโยจะคาถาสตังพาเสอนัตถะ ปทสันหิตาเอกังธรรมะปะทังเฉยโยยังสุตวาอุปสัมมติโยสหาดสังสหาดเสนะสังขาเมมานุเสชิเนเอกันจักเชยมัตตานังสะเวสังขามะชุตตะโมโกุปุใดพึ่งกล่าวกถาตั้งร้อย ซึ่งไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์บทแห่งธรรมบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบประงับได้ประเสริฐกว่าการกล่าวคาถาตั้งร้อยของผู้นั้นผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหนึ่งคือหนึ่งล้านในสงกรามผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนผู้ชนะ ในสงครามไม่ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ผู้นั้นแลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามตอนทิดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามีดังได้สดับมาทิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชจุรืมีอายุย่างสิบกปี มีรูปสวยน่าดูก็นารีทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในวัยนั้นย่อมมีความฝากไฟในบุรุษโลเลในบุรุษครั้นมานดาบิดาให้ทิดานั้นอยู่ในห้องอันมีสิริบนพื้นชั้นบนแห่งประสาทเจ็ดชั้นได้จัดทาสีคนเดียวเท่านั้นให้เป็นผู้บำรุง บัมเมอหนางครั้งนั้นพวกราชบุรุษจะกุลบุตรคนหนึ่งผู้กระทำจรกรรมได้มัดมือไพรหลังโบยด้วยหวายกลางละสี่เส้นสี่เส้นแล้วนำไปสู่ที่สำหรับฆ่าธีราเศรษฐีได้ยินเสียงของมหาชนคิดว่านี่อะไรกันนอแล ยืนแลดูอยู่บนพื้นปราสาทเห็นโจนนั้นแล้วก็มีจิตปฏิพัทิปราถนาอยู่ห้ามอาหารแล้วนอนบนเตียงลำดับนั้นมารดาถามนางว่าแม่เจ้านี้เป็นอะไรกันทิดาเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าที่ฉันจะได้บุรุษคนที่ถูกจับนำไปเรียกว่าเป็นโจนนั้นไซ ดิฉันจะเป็นอยู่ถ้าไม่ได้ชีวิตดิฉันก็จะไม่มีดิฉันจะตายในที่นี้นี่แหละมารดาแม่เจ้าอยากกระทำอย่างนี้เลยเจ้าจะได้สามีอื่นซึ่งเสมอกันโดยชาติและโภคาของเราที่ราสิติกิดด้วยบุรุษอื่นสำหรับดิฉันไม่มีดิฉันเมื่อไม่ได้บุรุษคนนี้ก็จะตาย มารดานั้นเมื่อไม่อาจทำที่ดาให้ยินยอมจึงได้บอกแกบิดาถึงบิดานั้นก็ไม่อาจทำที่ดานั้นให้ยินยอมได้จึงคิดว่าเราจะกระทําอย่างไรได้จึงได้ส่งห่อพันธะพันหนึ่งแกราชบุรุษผู้ให้จับโจนนั้นแล้วเดินไปอยู่ด้วยคำว่าท่านจงรับ อ, อพันธะนี้ไปแล้วให้บุรุษคนนั้นแก่ฉันราจบุรุษนั้นรับคำว่าดีแล้วก็รับกหาปณ ะ, ะแล้วปล่อยโจรนั้นไปฆ่าบุรุษอื่นแล้วกราบทูลแก่พระราชาว่าขอได้ชะข่าพระองค์ฆ่าโจรแล้วแม้เศรษฐีก็ได้ให้ธิดาแก่โจรนั้นแล้ว นางมีความคิดว่าจะยังสามีให้ยินดีจึงตกแต่งด้วยเครื่องประดับทั้งปวงจัดแจงยาครูเป็นต้นแกโจนนั้นเองทีเดียวโดยการล่วงไปสองถึงสาวันโจนมีความคิดว่าในการไรน้อแลเราจะได้ฆ่าผู้หญิงคนนี้ถือเอาเครื่องประดับของหญิงนี้ขายกินในโรงสุราแห่งหนึ่ง โจนนั้นได้คิดอุบายนั้นแล้วจึงห้ามอาหารคือไม่กินอาหารแล้วนอนเสียบนเตียงในที่นั้นนางเข้าไปหาโจร น, นั้นแล้วถามว่านายเกิดอะไรขึ้นอะไรเสียแทงท่านหรือโจนอะไรอะไรไม่ได้เสียแทงเราหรอกนางผู้เจริญที่ราศีธีก็มารดาบิดาของดิฉันโกรธท่านแล้วหรือ โจนไม่ได้โกรธหลอกนางผู้เจริญที่ดาเสติก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านเป็นอะไรกันโจนนางผู้เจริญฉันถูกจับนำไปในวันนั้นบนบานไว้ต่อเทวดาผู้สถิตยอยู่ที่ภูเขาทิ้งโจนจึงได้ชีวิตแม้หล่อนฉันก็ได้ด้วยอนุภาพแห่งเทวดานั้นเหมือนกันนางผู้เจริญ ฉันมีความคิดว่าฉันจะตั้งพลีกรรมนั้นไว้ต่อเทพพยายดาทิดาเสตีนายอยากคิดเลยดีฉันจะ ก, กระทำพลีกรรมท่านจงบอกท่านต้องการอะไรโจนก็เราต้องการข้าวมุตุปยาตชนิดมีน้ำน้อยและดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ห้า ดีละนายดิฉันจะจัดแจงให้ทิดาเสตินั้นจะแจงพลีกรรมทุกอย่างแล้วจึงกล่าวว่ามาเถิดนายเราไปกันโจนหนังผู้เจริญถ้าอย่างนั้นหล่อนให้พวกญาติของหล่อนกลับเสียถือเอาผ้าและเครื่องประดับที่มีค่ามากแล้วจงแต่งตัวเราจะ หัวเราะเล่นพลางเดินเล่นไปสบายนางได้กระทำอย่างนั้นแล้วครั้นในเวลาถึงเชิงเขาโจร น, นั้นกล่าวกับนางว่านางผู้เจริญเบื้องหน้าแต่นี้เราจะไปกันสองคนหล่อนจงให้คนที่เหลือกลับพร้อมกับยานยกภาชนะพลีกรรมถือไปเองนางก็ได้ทำอย่างนั้นโจร พานางขึ้นสู่ภูเขาทิ้งโจนก็มนุษย์ทั้งหลายย่อมขึ้นไปโดยข้างข้างหนึ่งแห่งภูเขานั้นข้างข้างหนึ่งเป็นภูเขากรรกชันมนุษย์ทั้งหลายยืนอยู่บนยอดเขาแล้วย่อมทิ้งโจนทั้งหลายโดยทางอีกข้างหนึ่งโจนเหล่านั้นก็เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยโลกลงไปที่พื้น เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกว่าผู้เขาทิ้งโจร น, นางยืนอยู่บนยอดเขานั้นแล้วกล่าวว่านายท่านจงทําปลีกรรมของท่านเถิดโจรนั้นได้ยืนนิ่งแล้วเมื่อนางนั้นกล่าวอีกว่านายเหตุใดท่านจึงนิ่งเสียเล่าเขาจึงบอกกับนางว่าฉันไม่ได้ต้องการทําปลีกรรมหรอก แต่ฉันล่อหลวงพาหล่อนมาเพราะเหตุไรนายจึงทำเช่นนี้ก็เพื่อต้องการฆ่าหล่อนเสียแล้วจือเอาเครื่องประดับของหล่อ น, นหนีไปนางนั้นถูกบรรณาภัยคุกขามแล้วจึงกล่าวขึ้นว่านายจา๋าดิฉันและเครื่องประดับของที่ฉันเป็นของของท่านทั้งนั้นเหตุไรท่านจึงพูดอย่างนี้ จนนั้นแม้ถูกอ้อนบอลบ่อยๆว่าท่านอย่าทาอย่างนี้ก็กล่าวว่าฉันจะฆ่าเธอให้ได้นางนั้นจึงกล่าวว่าก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะต้องการอะไรด้วยความตายของที่ฉันท่านถือเอาเรื่องประดับเหล่านี้แล้วให้ชีวิตแก่ที่ฉันเถิดจำเดิมแต่นี้ท่านจงจำที่ฉันว่าตายแล้ว หรือว่าดิฉันจะเป็นทาสีของท่านกระทำหัตกรรมดังนี้แล้วนางจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าสายสร้อยทองคําเหล่านี้ล้วนสําเร็จแล้วด้วยแก้วไพลทูลท่านผู้เจริญท่านจงถือเอาทั้งหมดและจงประกาศว่าดิฉันเป็นทาสีโจนได้ฟังคํานั้นแล้วกล่าวว่าก็เมื่อฉันกระทาอย่างนั้น หล่อนไปแล้วก็จะบอกแกมารดาบิดาฉันจักฆ่าให้ได้หล่อนอย่าคร่ำครวญไปนักเลยเมื่อโจรพูดดังนี้แล้ ว, ลวก็ได้กล่าวคําที่เป็นกาถาว่าหล่อนอย่าคร่ำครวญ น, นักเลยจงรีบห่อสิ่งของเข้าเถิดชีวิตของหล่อนไม่มีรอกฉันจะถือเอาสิ่งของทั้งหมดตอนทิดาเศรษฐี พลักโจรตกภูเขาตายดิดาเสตีนั้นมีความคิดว่าโอ้กรรมนี้หนักชื่อว่าปัญญาไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินที่แท้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเรารู้สิ่งที่ควรกระทำแก่เขาลำดับนั้นนางจึงได้กล่าวกับโจร น, นั้นว่า ในตอนที่ท่านถูกจับนำไปด้วยการถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรในตอนนั้นดิฉันบอกแก่มารดาพิดาท่านทั้งสองนั้นสละทรัพย์พันหนึ่งให้นำท่านมาอยู่ในเรือนจำเดิมแต่นั้นดิฉันก็อุปการะท่านวันนี้ท่านจงให้ดิฉันดูให้ถนัดแล้วไหว้เถิดโจรนั้นจึงกล่าวว่า ได้นางผู้เจริญลลอนจงดูถนัดแล้วไหว้เถิดดังนี้แล้วก็ได้ยืนอยู่บนยอดเขาในที่นั้นนางทำประทักษิณสามครั้งไหว้โจร น, นั้นสี่แห่งแล้วจึงกล่าวว่านายนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของดิฉันบัดนี้การที่ท่านเห็นดิฉันหรือการที่ดิฉันเห็นท่านไม่มีละ ดังนี้แล้วสวมกอดข้างหน้าข้างหลังยืนที่ข้างหลังเอามือข้างหนึ่งจับโจรผู้ประมาทยืนอยู่บนยอดเขาตรงคอเอามือข้างหนึ่งจับตรงรักแร้ข้างหลังพลักลงไปในเหวแห่งภูเขาโจร น, นั้นถูกกระทบที่พื้นแห่งภูเขา เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกลงไปแล้วที่ผืนเทวดาผู้สถิตอยู่บนยอดเขาที่ทิ้งโจรเห็นกิริยาแม้ของชนทั้งสองนั้นจึงให้สาธุการแก่หญิงนั้นแล้วด้วยคาถานี้ว่าบุรุษนั่นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นนั้นด น, นี้ติดาเสถีแม่นั้นครั้นผลักโจรลงไปในเหวแล้วมีความคิดว่าถ้าหากว่าเราจะกลับไปที่บ้านมารดาบิดาก็จะถามว่าสามีของเราไปไหนหากเราถูกถามอย่างนั้นแล้วจะตอบว่าดิฉันฆ่าเสียแล้ว ท่านก็จะติมแทงเราด้วยหอกคือปากด่าว่าเราว่านางคนหัวดืเจ้าให้เราให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วนําผัวมาบัดนี้ก็ฆ่าเขาเสร็จแล้วแม้เมื่อเราจะบอกว่าเขาปรารถนาจะฆ่าดิฉันเพื่อต้องการเครื่องประดับท่านก็จะไม่เชื่ออย่าเลยด้วยบ้านเรือนของเราดังนี้แล้ว ก็ทิ้งเครื่องประดับไว้ในที่นั้นนั่นเองแล้วไปสู่ป่าเที่ยวไปโดยลำดับถึงอาสมของพวกปริพาชกแห่งหนึ่งไหวเขาแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงให้การบรรพชาในสำนักของท่านแก่ดิฉันเถิดลำดับนั้นปริพาชกทั้งหลายก็ให้นางบรรพชาแล้ว ตอนทิดาเศรษฐีบวชเป็นปริภาชิกาทิดาเศรษฐีนั้นพอบวชแล้วจึงถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดแห่งการบรรพชาของท่านปริาชกหนังผู้เจริญการทำบริกรรมในกสิณสิบแล้วพึงยังฌานให้บังเกิดบ้าง การเรียนวาทพันหนึ่งบ้างนี้เป็นประโยชน์สูงสุดแห่งบรรพชาของพวกเราที่ดาสิตีท่านพระผู้เป็นเจ้าดิฉันไม่อาจจะยังชานให้เกิดได้ก่อนแต่จะเรียนวาทพันหนึ่งลำดับนั้นบริพาโชกเหล่านั้นยังนางให้เรียนวาทพันหนึ่งแล้วกล่าวว่าศิลปะท่านก็เรียนแล้ว บัดนี้ท่านจงเที่ยวไปบนพื้นชมพูทวีปตรวจดูผู้สามารถจะกล่าวปัญหากับตนดังนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นจึงให้กิ่งว่าในมือแก่นางแล้วส่งไปด้วยกับว่าไปเถิดนางผู้เจริญหากใครใครเป็นฤทอหัตอาจกล่าวปัญหากับท่านได้ท่านจงเป็นบาทปริจาริกา คือเป็นภรรยาของผู้นั้นเดียวหากผู้นั้นเป็นบนรรพชิตท่านจงบรรพชาในสำนักของผู้นั้นเถิดดังนี้ทิดาเศรษฐีนั้นจึงได้มีชื่อว่าชัมผู ป, ปาริภาชิกาตามนามของหมายนั้นเธอออกจากที่นั้นเที่ยวถามปัญหากับผู้ที่ตนเห็นแล้วเห็นแล้ว คนชื่อว่าสามารถจะกล่าวกับนางไม่มีเลยมนุษย์ทั้งหลายพอได้ยินว่านางชำพูก ป, ปริภาชิกามาแต่ที่นี้ก็ย่อมหนีไปนางเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือตำบลใดเพื่อพิกษาจารย์ก็กองทายไว้ใกล้ประตูหมู่บ้านปักกิ่งไม้ว่าบนกองสายนั้น แล้วกล่าวว่าผู้สามารถจะกล่าวกับเราจงเหยียบกิ่งว่าดังนี้แล้วก็เข้าไปสู่ในหมู่บ้านใครๆชื่อว่าสามารถจะเข้าไปยังที่นั้นไม่ได้มีแม้นางย่อมถือกิ่งอื่นในเมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งเที่ยวไปโดยตํานองนี้ถึงกรุงสาวัตถีปัก กิ่งว่าใกล้ประตูหมู่บ้านพูดโดยนัยะที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก็เข้าไปเพื่อพิกษาจารย์เด็กเป็นนันมากได้ยืนล้อมกิ่งไม้ไว้แล้วในการนั้นพระสารีบุตรเตระเที่ยวไปเพื่อบินดบาบกระทำพัตกิจแล้วออกไปจากเมืองเห็นเด็กเหล่านั้นยืนล้อมกิ่งไม้ จึงถามว่านี้อะไรกันเด็กทั้งหลายบอกเรื่องนั้นแก่พระเตระแล้วพระเตระกล่าวว่าเจ้าเด็กทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเหยียบกิ่งไม้นี้พวกเด็ ก, ดกพวกกระผมกลัวครับพระเทระาเราจะกล่าวปัญหาพวกเจ้าจงเหยียบเถิดเด็กเหล่านั้นเกิดความอุตสาหะ ด้วยคมของพระเถระกระทําอย่างนั้นโหร้องอยู่โปรยทุลีขึ้นแล้วนางปริภาชิกามาแล้วดุเด็กๆ เ, เหล่านั้นกล่าวว่าคิดด้วยปัญหาของเรากับพวกเจ้าไม่มีเหตุไรพวกเจ้าจึงพากันเหยียบกิ่งไม้ของเราพวกเด็กๆจึงได้กล่าวว่า พวกเราอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เหยียบนางปริภาชิกาท่านผู้เจริญท่านใช้พวกเด็กเหยียบกิ่งไม้ของดิฉันหรือพระเถระถูกแล้วน้องหญิงนางปริภาชิกาถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับดิฉันพระเถระดีละเราจะกล่าวนางปริปาชิกานั้นได้ไปสู่สำนัก ของพระเทระเพื่อถามปัญหาในเวลาบ่ายทั่วทั้งเมืองไปกับนางปริภาชิกาหนนเหมือนกันว่ายพระเตระแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งนางปริภาชิกากล่ากับพระเตระว่าท่านผู้เจริญดิฉันจะถามปัญหาแก่ท่านพระเทระถามเถิดน้องหญิง นางจึงได้ถามวาทะพันหนึ่งแล้วพระเทระแก้ปัญหาที่นางถามแล้วถามแล้วลำ บ, บัดนั้นพระเทระกล่าวกับนางว่าปัญหาของท่านมีเท่านี้ปัญหาแม้อื่นมีอยู่อีกหรือนางปริบาชิกามีเท่านี้แหละท่านผู้เจริญพระเทระท่านถามปัญหาเป็นนันมาก แม้เราจะถามสักปัญหาหนึ่งท่านจะแก้ได้ไหมนางปริปาชิกาดิฉันรู้ก็จะแก้จงถามเถิดท่านผู้เจริญพระเทเรถามปัญหาว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งนางปริปาชชิกานั้นไม่รู้ว่าปัญหานี้ควรแก้อย่างนี้จึงถามว่านั่นชื่อว่าอะไรท่านผู้เจริญ พระเทระชื่อพุทธมน์น้องหญิงนางปริภาชิกาท่านจงให้พุทธมนตนั้นแก่ดิฉันบ้างเถิดท่านผู้เจริญพระเตระหากว่าท่านจะบวชเช่นเราเราจะให้ได้นางปริภาชิกาถ้าเช่นนั้นขอท่านย่างดิฉันให้มันประชาเถิดพระเตระ จึงได้บอกแก่นางภิกษุณีทั้งหลายให้นางปริภาชิกานั้นบนรรพชาแล้วนางครั้นได้บรรพชาอุบสมบทแล้วมีชื่อว่ากุณฑนเกสีเทรีบรรลุพระรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายโดย2อถึงสวันเท่านั้นตอนชนะกิเลสประเสริฐ ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงตามว่าการฟังธรรมของนางกุลทนเกษีเทอรีไม่ได้มีมากกิจแห่งบันปชิตของนางถึงที่สุดแล้วได้ยินว่านางทำมหาสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะแล้วจึงได้มาพระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคำอะไรกันเนอก็เมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้พระาศาสดา จ, จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่านับธรรมะที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากบทที่ไม่เป็นประโยชน์แม้ร้อยบทไม่ประเสริฐ ส่วนบทแห่งธรรมแม้บทเดียวประเสริฐกว่าเทียวอัน ห, หนึ่งเมื่อบุคคลชนะโจรที่เหลือหาชื่อว่าชนะใหม่ส่วนบุคคลชนะโจรคือกิเลสอันเป็นไปภายในนั่นแหละจึงชื่อว่าชนะเมื่อจะทรงสืบอนุสนติแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า โยจะคาถาสตังภาเสอานันธปะทะสันหิตาเอกังธรรมะปะทังเสโยยังสุตวาอุปสัมมติโยสหัาดสังสหัดเสนสังขาเมมานุเสชิเนเอกันจะเฉยยมัตตานังสะเวสังขามชุตตโม แปลว่าก็ผู้ใดพึงกล่าวคาถาตั้งร้อยซึ่งไม่ประกอบด้วยบทอันเป็นประโยชน์บทแห่งธรรมบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระ ง, งับได้ประเสริฐกว่าการกล่าวคาถาตั้งร้อยของผู้นั้นผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหนึ่งคือหนึ่งล้านในสงกราม ผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนผู้ชนะในสงครามใหม่ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ผู้นั้นแลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามดังนี้ตอนแก้อัดในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าคาถาสตังแปลว่าคาถาตั้งร้อยหมายความว่า กบุคคลใดพึ่งกล่าวคาถากําหนดด้วยร้อยคือเป็นอนมากคําว่าอนัตถะปัะสันหิตาแปลว่าไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์หมายความว่าประกอบด้วยบททั้งหลายอันไม่มีประโยชน์ด้วยอํานาจพันานาอากาศเป็นต้นบทที่ปฏิสังยุตด้วยธรรมมีขันเป็นต้น สำเร็จประโยชน์จึงชื่อว่าธรรมะประทังแปลว่าบทแห่งธรรมบรรดาธรรมะสที่พระศาสดาตรัสไว้อย่างนี้ว่าบริพาโชคทั้งหลายบทธรรมสี่เหล่านี้4ี่คืออะไรบ้างบริพาโชคทั้งหลายบทธรรมคือความไม่เพ่งเล็งบทธรรมคือความไม่เป่าร้าย บทธรรมคือความระลึกชอบบทธรรมคือความตั้งใจไว้ชอบบทธรรมแม้บทเดียวย่อมประเสริฐกว่าคาถาตั้งร้อยข้อที่ว่าโยสหัสสังสหัสเสนะแปลว่าผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหมายความว่าผู้ใดไม่ว่าจะเป็นนักรบในสงคราม พึงชนะมนุษย์พันหนึ่งซึ่งคูณด้วยพันในสงครามครั้งหนึ่งได้แก่ชนะมนุษย์สิบแสนคึอนหนึ่งล้านแล้วพึงนำชัยชนะมาแม้ผู้นี้ก็หาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนทั้งหลายผู้ชนะในสงครามใหม่คำว่าเอกันจะเชยะมัตตานังแปลว่า ชนะตนคนเดียวได้หมายความว่าส่วนผู้ใดพิจารณากรรมฐานอันเป็นไปในภายในในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันพึงชนะตนด้วยการชนะกิเลสมีโลภะเป็นต้นของตนได้ก็ที่ว่าสะเวสังขามชุตโมแปลว่า ผู้นั้นแลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามหมายความว่าผู้นั้นชื่อว่าเป็นยอดคือประเสริฐแห่งชนทั้งหลายผู้ชนะในสงครามได้แก่เป็นนักรบที่เยี่ยมในสงครามในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุเรียผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดัง น, นี้แหล เรื่องพระกุลทนเกษีเทรี